วันนี้เป็นวันพร ะ, ะแรน8ดค่ำเดือน8ดหลังตรงกับวันศุกร์ที่10บสิงหาคมพุทธศักราช25รอย่ห้าสิบห้าการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าสุโกโตแห่งนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายของทุกค น, นก็คงจะมาเรียนรู้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 ีกว่าละนะก็พอดีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าแหวนเป็นแหวนแหวนวนพลอยที่เป็นของเก่าลูกสาวทำหายเข้าใจว่ากวาดทิ้งขยะไปนะแล้วก็ใส่สร้อยก็หายก็เสียดายเป็นของเก่าคนอายุ80ก็ยังเสียดาย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 นะมากเกินไปนะจนทำให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยได้นะนี้มันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของกายและใจเนะี่ยเราก็ต้องดูแลทั้งสองส่วนนะในส่วนของกายเนะี่ยเข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะให้ความสาคัญอยูนะ่ก็คือดูแลไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเมื่อหิว ก, ก็กินให้พอเหมาะพอดี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 นะซึ่งก็ได้ถ่ายทอดนะผ่านครูบาอาจารยนะ์มาหลายรุ่นนะด้วยวิธีการต่างๆนะที่เราเรียกว่าการฝึกจิตฝึกใจนะหรือบางทีเรียกเป็นภาษ า, าพาะว่ากรรมฐานนั่นเองนะสำหรับในส่วนของที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็โดยหลวงพ่อคำเขียนนะก็ได้นำเอาวิธีการนะที่ท่านได้เรียนรู้นะจาก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 ปรากฏว่าอาการที่เราเคยหนักเคยเครียดเคยมึนเนี่ยมันหายไปเลยมันโล่งขึ้นมาโอ้ตรงนี้นี่เนา ะ, ะที่เรา เ, าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันก็ไปตรงกับมหาสติปัฏฐานสูตรที่เริ่มต้นที่กายานุปัสนาสติปัฏฐา น, นแต่ก่อนนี้เราไปดูจิตเลยเรียกว่าจิตานุปัสนาสติปัฏฐานเล่นกระโดดข้ามขันข้นไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็ทำให้เราพัดหลงได้ง่ายเมื่อมีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวชัดเจนตรงนี้จะต้องทํำบ่อยๆจะต้องทําเรื่อยๆนจนมันเป็นนิสัยมันจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาชัดเจนความรู้สึกตัวที่ชัดเจนในตัวกระุมเยตมาได้พบเมื่อตอนปี2525ตอนนั้นไปบวชอยู่กับหลวงพ่อเทียนณที่วัดโมก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 การฝึกอานาปนาสติที่เราเคยฝึกแต่ก่อนเนี่ยเออมันกลับมาได้เรารู้สึกกับลมหายใจที่เกิดขึ้นชัดเจนาหายใจเข้าหายใจออกหรือแม้แต่ลมเย็นๆที่พัดมาถูกหิ้วหนังเราก็เออมาสัมผัสกับตรงนี้อาหารการกินที่แต่ก่อนเราเคยกินไปคิดไปนเราไม่ได้สนใจเรารีบๆกินไปเคี้ยวไปให้มันหมดหมดไปเท่านั้นเองก็เริ่มมาใส่ใจกับเรื่องพวกนี้